เราก็ดูไปดูใจของเราไปสังเกตเห็นระยะระยะไปดง น, นการภาวนาเนี่ยถ้าเรามีหลักแล้วนการภาวนาก็จะอยู่ในชีวิตเราเทำได้ทั้งวันถ้าเราคิดแต่ว่าภาวนาต้องทำตอนเข้าวัดเข้าคอร์สนะปีหนึ่งจะเข้ากี่คอร์สนะเข้าวัดสปกี่ชั่วโมงเวลาส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกข้างนอก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 หลวงพ่อถึงพูดว่านักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะหลังจากที่เวนมามากมายเลยหลวงพ่อตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วเนะที่ยวเวนดูสำนักโน้นสำนักนี้อาศัยว่าเราเป็นคนว่องไวแอบไปดูเขานะว่าเข้าภา ว, าวนายอย่างไงดูดูแล้วโอ้เกือบทั้งหมดคือสมถะเกือบทั้งหมดเลยทั้งๆ ท, ท, ที่บอกว่าทำ ม, มิปัสนา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 มเป็นมิจฉาสมาธิทำไปเพื่อพอบคูณกิเลสพอบคูณโมหะพอคูณโลภะสามารถสมาธิจิตอยู่กัอารมณ์ัเดียวเท้าเคีย์อยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขไม่ขาดสติสงบก็สงบลงไปนิ่มๆ น, นะรู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่หล่นรูปเลยลืมตัวเองไปไม่ใชนะ่เสร็จแล้วพอถอยออกจากสมาธนะิมารู้กายมารู้ใจโดเฉพาะถ้า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 แล้วก็บาดตัวเองทําสมถะแล้วทาให้ตัวงขาดสติแทนที่จะทาแล้วเพิ่มสติงล้นเราต้องคอยรู้สึกนะรู้สึกทําสมถะก็ต้องมีสติาภิปัสนาก็ต้องมีสติสติสำคัญที่สุดครูบาอาจารย์สอนนักสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจาเป็นโยมอย่าไปกังวลใจเนาะ